อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ442 1. ภิกษุไม่ประสงค์จะดูหมินกล่าวตามเหตุว่านิมนต์ท่านเรียนพระสูตรพระคาถาหรือพระอภิธรรมไปก่อนภายหลังจึงเรียนพระวินัยสองภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติวิเลขาณสิขาบทที่สองจบ